สิบห้ากะกันตะกะวักหมวดว่าด้วยกิ่งกาหนึ่งโคทชาดก ว่าด้วยตระกูลเฮียประสบความพินาศพญาเฮียโพธิสัตว์เมื่อจะหนีไปทางปล่องลมจึงกล่าวว่าบุคคลคบหาคนชั่วย่อมไม่ประสบความสุขเลยเหมือนตระกูลเฮียทําตนเองให้ประสบความวอดวายเพราะยิงกาโคทาชาดกที่หนึ่งจบ 2. เ ส, สียงคาราชาดกว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกโพธิสัตว์ สุนักจิ้งจอกโพธิสัตว์กล่าวติเตียนนักเลงว่าเหตุท uh, ี่ท่านนอนลวงเหมือนคนตายนั้นรู้ได้ยากไม้พรองของท่านเมื่อเข้าพเจ้าคาบที่ปลายลากมาก็ไม่หลุดจากมือสิงคาลชาดกที่สองจบ 3. วิโรจนชาดกว่าด้วยคนถูกย่ะเย้ยว่ารุ่งเรืองพระญาไกรสอนราชสีโพธิสัตว์กล่าวกับสุนักจิ้งจอกว่า มันสมองของเจ้าทะลักออกมากระหม่อมของเจ้าก็ถูกทำลายสี่โครงของเจ้าก็หักหมดวันนี้เจ้าช่างรุ่งโรจน์เหลือเกินวิโรจะนะชาดกที่สจบ 4. นางคุตตชาดกว่าด้วยการบูชาไฟด้วยหางวัวพรามบำเรอไฟผู้เป็นโพธิสัตว์เข้าใจว่าการบูชาไฟไม่มีประโยชน์จึงกล่าวว่า ไฟอสัตบุรุษการที่เราบูชาเจ้าด้วยหางนั้นก็มากพอแล้ววันนี้เนื้อไม่มีสำหรับเจ้าผู้ชอบเนื้อขอท่านผู้เจริญจงรับเอาเพียงหางเถิดนางคุธะชาดกที่สี่จบหาราธาชาดกว่าด้วยลูกนกแขกเต้าราทะนกแขกเต้าโพธิสัตว์ได้กล่าวเตือนน้องราทะว่าพ่อราทะเจ้ายังไม่รู้ว่า คนที่ยังไม่มาในปฐมยามมีประมาณเท่าไรเจ้าพูดเพ้อเจออย่างโง่โง่ไปเองในเมื่อแม่โกสิยายนีหมดความเยื่อในในบิดาของเราแล้วราทชาดกที่หจบ 6. กากชาดกว่าด้วยกาวิดน้ำด้วยจะ ง, งอยปากฝูงกาปรึกษากันแล้วพูดว่าไม่สามารถจะทำทะเลให้แห้งได้จึงกล่าวว่า ้างของพวกเราล้าแล้วหนอปากก็ซี่เซยวพวกเราพากันวิตอยู่ก็ไม่อาจทำให้น้ำแห้งได้ห่วงน้ำใหญ่ก็ยังคงเต็มอยู่เช่นเดิมกากระชาดกที่หกจบเจ็ดปุกภรัตชาดกว่าด้วยผ้าที่ย้อมด้วยดอกคำคนเข็นใจไม่ใส่ใจถึงความทุกข์ของตนนึกถึงแต่หญิงคนรักนั้นอย่างเดียว จึงรำพึงถึงโอกาสที่พลาดไปว่าการที่ถูกเสียบแทงด้วยเหลาและการที่กาเจีกข้าพเจ้านี้หาเป็นทุกข์แก่ข้าพเจ้าไม่การที่นางเนื้อทองจะไม่ได้นุ่งห่มผ้าที่ย้อมด้วยดอกคำเที่ยวงานตลอดคืนกลางเดือ น, น, นสิบสองนนสิเป็นทุกข์ของข้าพเจ้าปุภรัตะชาดกที่เจ็ 8. จสิงคาลชาดก ว่าด้วยสุนักจิ้งจอกเข้าไปในซากช้างสุนักจิ้งจอกโพธิสัตว์ติดอยู่ในท้องช้างตายเกิดความสังเวชจึงกล่าวว่าไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วเราจะไม่เข้าไปในซากช้างอีกเพราะในเวลาที่เข้าไปอยู่ในซากช้างนี้เรากลัวแทบตายสิงคาลชาดกที่8จบ 9. เอกปันนะชาดก ว่าด้วยต้นไม้มีด้านละใบทุทธ ร, ราชกุมารเข้าใจต้นเสดา ว, ว่าจะฆ่ามนุษย์ได้จึงถอนหน่อเสดาขยี้จนแหลกแล้วตรัสว่าต้นไม้นี้มีใบด้านละใบจากพื้นดินสูงไม่ถึงสี่องคุลีผลมีรสเช่นกับยาพิษเมื่อโตขึ้นจะเป็นเช่นไรหนอเอขปัณชาดกที่เก้าจบสิบ สันชีวชาดกว่าด้วยสัญชีวมานพตายอาจารย์ทิสาปามโมกโพธิสัตว์เรียกมานพมาเตือนว่าผู้ใดยกย่องและคบหาคนชั่วคนชั่วย่อมกระทําผู้นั้นให้เป็นเหยื่อเหมือนเสือโคร่งที่สัญชีวมานพทำให้ฟื้นขึ้นแล้วทำสัญชีวมานพให้เป็นเหยือสัญชีวชาดกที่สิบจบกะกันตะกะวักที่สิบห้าจบ รวมชาดกที่มีในวรร์นี้คือ 1. โคทชาดกสสิงคาละชาดก 3. วิโรจนชาดก 4. ่นังคุธะชาดก 5. ราธาชาดก 6. กากชาดก 7. ปุพรัตตะชาดก 8. สิงคาระชาดก 9. เอกปัะชาดกสิบ สันชีวชาดกอุปริปันธาจบรวมวักที่มีในนิบาทนี้คือ 1. อปั น, นกะวัก 2. อสีลวักสกุรุงขวักค 4. กุลาวกะวัก 5. อัฏฐกรรมวักค 6. อสิงสะวัก 7. อิทีวัก 8. วรุณาวัก 9. อปาญิมาหวัค 10. ลิตวัค1ิปรโรสตะวัคสิบสอังสิวัคสิบกุสนาลิวัคสิบอสัมปทานวัคสิบก ก, กันตะกะวัคชาดกที่ประดับเอกนณิบาทจบเอกนณิบาทจบ สทุ ก, กาณิบาต 1. ทันหวักหมวดว่าด้วยความกระด้างหนึ่งราโชวาทชาดกว่าด้วยพระราโชวานสนายสารถีของพระเจ้าพันลิกะกล่าวอวดพระเกียรติคุณของพระราชาของตนว่าพระเจ้าพันลิกะทรงกระจัดคนกระด้างด้วยความกระด้างทรงชนะคนอ่อนโยนด้วยความอ่อนโยน ทรงชนะคนดีด้วยความดีทรงชนะ ค, คนไม่ดีด้วยความไม่ดีพระราชาองค์นี้เป็นเช่นนี้นายสารถีท่านจงหลีกทางถวายพระราชาของเราเถิดนายสารถีของพระเจ้าพาราณสีกล่าวพระเกียรติคุณของพระราชาของตนว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธทรงชนะคนไม่ดีด้วยความดี ทรงชนะคนตรณีด้วยการให้ทรงชนะคนพูดหล่ะแหละด้วยคำสัตว์พระราชาองค์นี้เป็นเช่นนี้นายสารถีท่านจงหลีกทางถวายพระราชาของเราเถิดราโชวาทชาดกที่หนึ 2, ่งจบ 2. เสียงคาราชาดกว่าด้วยเหตุที่ทำให้สุนัขจิ้งจอกตายราชสีห์โพธิสัตว์เห็นพี่ชายทั้งหกตายจึงกล่าวว่า การงานเหล่านั้นย่อมทำบุคคลผู้ไม่ได้พิจารณาทำด้วยความรีบร้อนให้เดือดร้อนเหมือนกลืนของร้อนเข้าไปในปากพระศาสดาตรัสเหตุที่สุนัขจิ้งจอกตายว่าราชสีได้บันเลอสีหน้าไปทั่วภูเขาเงินสุนัขจิ้งจอกที่อาศัยอยู่ในภูเขาเงินได้ยินเสียงตึกก้องของราชสีเกิดความกลัวความสะดุ้งจนหัวใจแตกตาย สิงคาลาชาดกที่สองจบ 3. สุกราชาดกว่าด้วยสุกรท้าราชสีสุกรเมื่อจะท้าราชสีโพธิสัตว์ให้ต่อสู้กันจึงกล่าวว่านี่สหายเราก็มีสีเท้าถึงท่านก็มีสีเท้าจงกลับมาก่อนสหายท่านกลัวหรือจึงได้หนีไปราชสีโพธิสัตว์กล่าวตอบว่านี่เจ้าสุกรผู้สหาย เจ้ามีเนื้อตัวไม่สะอาดขนก็เหม็นเน่ามีกลิ่นเหม็นคลุ้งกระจายไปถ้าเจ้าต้องการจะสู้รบกับเราเราขอยกชัยชนะให้เจ้าสุกระชาดกที่สาจบ 4. อุรุขาชาดกว่าด้วยงูมีคุณธรรมสูงพญาครุฑเรียกพระโพธิสัตว์มาประกาศให้ทราบว่าจากจัพญานาควักรละกิน จึงกล่าวว่าพญาน้าผู้ประเสริฐกว่างูทั้งหลายต้องการจะพ้นจากข้าพเจ้าจึงได้แปลงกายเป็นแก้วมณีเข้าไปอยู่ในภาพเหลือกไม้นี้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความเคารพยำเกรงเพศอันประเสริฐของท่านถึงจะหิวก็ไม่สามารถที่จะจับพญาหน้าตัวนั้นกินได้พระโพธิสัตว์ดาบทกล่าวชมเชยพญาครุฑว่าเธอนั้นเป็นผู้เคารพยำเกรงเพศอันประเสริฐ ถึงจะหิวก็ไม่อาจที่จะคร่าพยานนาคตัวนั้นมากินได้ขอเธอนั้นจงเป็นผู้อันพรมรักษาคุ้มครองแล้วจงดำรงชีวิตอยู่สิ่งกาลนานอันหนึ่งพักษาทิพจงปรากฏมีแก่เธออุรขชาดกที่สจบ 5. ภพักาชาดกว่าด้วยบิดาพระโพธิสัตว์ชื่อพักคะ พระโพธิสัตว์เห็นยักลงมาจึงกล่าวปรารพบปิดาว่าพ่อพักคะขอพ่อจงมีชีวิตอยู่ถึง120ปีขอพวกปีศาจจงยัยได้กินผมเลยขอพ่อจงมีชีวิตอยู่ถึงร้อยยีสปีเถิดพระโพธิสัตว์เห็นยักลงมหาบุตรจึงกล่าวปรารพบบุตรว่าแม่เจ้าก็จงมีชีวิตอยู่ถึงร้อยสปีขอพวกปีศาจจงกินยาพิษ ขอเจ้าจงมีชีวิตอยู่ถึงร้อยยสิปีเถิดพระคชาดกที่ห้าจบ 6. อรีนจิตตะชาดกว่าด้วยพระเจ้าอรีนจิตพระศา ส, าสดาทรงนำเรื่องอดีตนี้มาได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเซนาหมู่ใหญ่อาศัยพระเจ้าอรีนจิตมีใจร่าเริงได้จับเป็นพระเจ้าโกศลผู้ไม่ทรงอิ่มราชสมบัติของตนชั้นใด ภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยนิสัยปรารบความเพียรเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะพึงบรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงโดยลำดับฉันนั้นอลีนจิตตะชาดกที่หจบ 7. คูณชาดกว่าด้วยมิตรธรรมสุนักจิงจอกฟังคำของนางสุนัขจิงจอกแล้ว จึงเข้าไปหาราชสีโพธิั์บอกเหตุที่พัญญาและบุตรของราชสีรบกวนแล้วว่าผู้มีอำนาจย่อมขับไล่ผู้น้อยตามความพอใจของตนนี้เป็นธรรมดาของผู้มีกำลังนางมรุขีผู้มีเขี้ยวแหลมคมบันเลอสีหนาตคุกความบุตรและพัญญาของข้าพเจ้าขอท่านจงทราบอย่างนี้ที่พึ่งของพวกเรามีภัยเกิดขึ้นแล้ว ราชสีโพธิสัตว์กล่าวเตือนนางราชสีว่าถึงแม้ว่ามิจจะมีกำลังด้อยกว่าแต่ดำรงอยู่ในมิตรธรรมเขาชื่อว่าเป็นญาติเป็นเผ่าพันธุ์เป็นมิตรและเป็นเพื่อนของเรานี่นางผู้มีเขี้ยวแหลมคมเจ้ายายได้ดูหมิน่นสุนัขจิ้งจอกผู้ให้ชีวิตแก่เราอีกเลยคุณาชาดกที่เจ็ดจบ 8. สุหนุชาดก ว่าด้วยพฤติกรรมของม้าสุหนุอามาสสำเร็จราชกิจโพธิสัตว์เรียกราบทูลพระราชาถึงพฤติกรรมของม้าว่าการที่ม้าพยศสุหนุกับม้าพยศโสนะกระทําความสนิทสนมกันไม่ใช่เรื่องผิดปกติม้าโสนะเป็นเช่นใดแม้มาสุหนุก็เป็นเช่นนั้นม้าโสนะมีอารมณ์ฉุนเฉียวเช่นใดม้าสุหนุก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวเช่นนั้น ม้าทั้งสองตัวมีปกติวิ่งพล่านไปด้วยอารมณ์คึกขนองชอบกัดเชือกล่ามตัวเองเป็นนิดพอๆกันความชั่วเข้ากันได้กับความชั่วความไม่สงบเข้ากันได้กับความไม่สงบสุหนุชาดกที่8จบกโมรชาดกว่าด้วยนกยูงนกยุงทองโพธิสัตว์เมื่อจะผูกมนเพื่อรักษาป้องกันตัวก่อนออกหากิน ได้กล่าวคาถานี้ว่าดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกกํำลังอุทัยทอแสงเรืองรองสว่างไปทั่วปฐพีเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าขอนอมไหว้พระอาทิตนั้นซึ่งทอแสงเรืองรองสว่างไปทั่วปฐพีวันนี้ข้าพเจ้าได้ท่านคุ้มครองแล้วพึงอยู่เป็นสุขตลอดวันพรามเหล่าใดถึงฝั่งแห่งพระเวทในธรรมทั้งมวล ขอพรามเหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระโพธิญาณของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้หลุดพ้นแล้วและวิมุติธรรมของพระพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วเหล่านั้นนกยุงนั้นเจริญพระปริษนีแล้วจึงเที่ยวแสวงหาอาหารนกยุงทองนั้นเมื่อกลับที่พักในเวลาเย็น ได้กล่าวคาถานี้ว่าดวงตาของโลกนี้เป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกทอแสงเรืองรองสว่างไปทั่วปัตภีอาศงคดแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าขอน้อมไหว้พระอาทิตย์นั้นซึ่งทอแสงเรืองรองสว่างไปทั่วปัตภีวันนี้ข้าพเจ้าได้ท่านคุ้มครองแล้วพึงอยู่เป็นสุขตลอดคืนพราหมเหล่าใดถึงฝั่งแห่งพระเวทในธรรมทั้งมวล ขอพรามเหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระโพธิยานของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้หลุดพ้นแล้วและวิมุติธรรมแห่งพระพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วเหล่านั้นนกยูงนั้นเจริญพระปริศนี้แล้วจึงอยู่ในที่อยู่ของตนโมราชาดกที่เก้าจบ วินีละกะชาดกว่าด้วยกาวินีละกะกาวินีละกะกำลังไปทางอากาศเห็นพระเจ้ากรุงวิเทหะประทับบนรถซึ่งเทียมด้วยม้าสินทบสี่ตัวจึงกล่าวว่าม้าอาชาในกำลังพาพระเจ้าวิเทหะผู้ครองกรุงมิถิลาเสด็จไปเหมือนหงสองตัวกำลังพาเราผู้ชื่อวินีละกะไป พ่อพญาหงได้ฟังเรื่องที่ลูกทั้งสองเล่าให้ฟังก็โกรธตวาดลูกกาวินีละกะว่านี่เจ้าวินีละกะเจ้ามาอยู่อาศัยซอกเขาอันไม่ใช่พื้นเพเดิมของเจ้าเจ้าจงไปอยู่อาศัยชายหมู่บ้านเถิดที่นั่นเป็นที่อยู่อาศัยของแม่เจ้าวินีละกะชาดกที่สิบจบธนวักที่หนึ่งจบรวมชาดกที่มีนิวัคนี้คือ 1. ราโชวาทชาดก 2. สิงคาละชาดก 3. สูกระชาดก 4. อุรคชาดก 5. พักคชาดก 6. อลีนาจิตตะชาดก 7. คุณชาดก 8. สุหนุชาดก 9. โมรชาดก 10. วินีลกะชาดก สสันทววัคหมวดว่าด้วยความสนิทสนม 1. อินทสมานโคตชาดกว่าด้วยอินทสมานโคดาบทดาบทโพทธิสัตว์บอกดาบทที่ไม่ควรทำความคลุกคลีกับคนชั่วว่าบุคคลไม่ควรทำความสนิทสนมกับคนชั่วบุคคลผู้ประเสริฐรู้ประโยชน์ชัดอยู่ก็ไม่ควรทำความสนิทสนมกับบุคคลผู้ไม่ประเสริฐ เพราะว่าบุคคลผู้ไม่ประเสริฐถึงแม้จะอยู่ร่วมกันเป็นเวลานานก็ยังทำความชั่วเหมือนช้างดดวยค่าอินทสมานโคตดาบทบุคคลรู้บุคคลใดว่าผู้นี้เช่นเดียวกับเราด้วยศีลปัญญาและสุตตะพึงกระทําไมตรีกับบุคคลเช่นนั้นแหละเพราะการสมาคมกับสัตว์รุษเป็นความสุขโดยแท้อินทสมาโนโคตชาดกที่หนึ่งจบ สสันทวชาดกว่าด้วยการสนิทสนมพระโพธิสัตว์ตกใจกลัวที่บารรณศาลาถูกไฟไหม้กล่าวว่าสิ่งออ่นที่จะช่วยชาไปกว่าความสนิทสนมกับคนชั่วไม่มีเพราะไฟนี้อันเราให้อิ่มน้ำด้วยเนยใสยและข้าวปลายาดแล้วก็ยังเผาบารรณศาลาที่เรากระทำได้แสนยากพระโพธิสัตว์ดำริว่า ความสนิทสนมกับสัตว์รุษเป็นสิ่งประเสริฐจึงกล่าวว่าสิ่งเอื่นที่จะประเสริฐไปกว่าความสนิทสนมกับสัตว์รุษไม่มีแม่เนื้อสามายังเลียปากราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองได้เพราะความสนิทสนมสันทวชาดกที่สองจบ 3. สุสีมาชาดกว่าด้วยพระเจ้าสุสีมะ พราหมูโรหิตโพธิสัตว์ของพระเจ้าสุสีมะกราบทูลเรื่องที่ได้ทราบข่าวมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าสุสีมะช้างดำมีงาขาวของพระองค์เหล่านี้ร้อยกว่าเชือกประดับด้วยไข่ทองคําพระเจ้าสุสีมะพระองค์ยังทรงระลึกถึงการกระทําของพระชนกและพระอียกาของพระองค์หรือจึงตรัสว่าเราจะให้ช้างเหล่านั้นแก่พราหมณ์เหล่าอื่นพระเจ้าค่ะ พระเจ้าสุสีมะทรงสดับคำของพระโพธิสัตว์แล้วตรัสว่านี่พ่อมานพช้างดำมีงาข า, ขาวของเราเหล่านี้ร้อยกว่าเชือกประดับด้วยข่ทองคำเรายังระลึกถึงการกระทําของพระบิดาและพระอัยกาจึงพูดว่าเราจะให้ช้างเหล่านั้นแก่พรามเหล่าอื่นสุสีมะชาดกที่สามจบสี่คิดชชาดกว่าด้วยสายตานกแรง พระเจ้าพรหมทัตตรัสถามพญาแรงโพธิสัตว์ว่าธรรมดานกแรงย่อมเห็นซากศพได้ไกลถึงร้อยโยธไม่ใช่หรือเพราะเหตุไรเจ้าแม้มาใกล้ขายและบ่วงแล้วก็ไม่รู้พญาแรงโพธิสัตว์กราบทูลว่าเมื่อใดสัตว์มีความเสื่อมในขณะจะสิ้นชีวิตเมื่อนั้นถึงจะมาใกล้ขายและบ่วงก็ไม่รู้คิดชาชาดกที่สี่จบห้า นักุละชาดกว่าด้วยพังพรรูสีโพธิสัตว์เห็นพังพรกลับมาจึงกล่าวว่านี่เจ้าพังพรผู้เกิดในคันท่านเชื่อมสัมพันธ์กับงูที่เป็นศัตรูยังจะนอนแยกเคี่ยวอยู่ภัยนั้นมีมาแต่ไหนหนอพังพรตอบว่าในศัตรูบุคคลพึงระแวงไว้ก่อนแม้ในมิตรก็ไม่พึงวางใจภัยที่เกิดขึ้นจกคนไม่มียัย ย่อมกัดกร่อนจนถึงโคนรากนักกุลชาดกที่หจบ 6. อุปสารหากะชาดกว่าด้วยพรามอุปสารหากะพรามโพธิสัตว์ต่อปัญหาของมานพกำหนดด้วยบุพเพนิวาสยานแล้วจึงกล่าวว่าพรามชื่ออุปสารหากะจำนวนหนึ่งมนสี่พันคนได้ถูกพวกญาติเผาในสถานที่นี้ สถานที่ไม่เคยมีคนตายไม่มีในโลกสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญะและธรรมะมีอยู่ในผู้ใดพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมคบหาบุคคลเช่นนั้นเพราะคุณธรรมชื่อว่าไม่ตายในโลกอุปสารหกะชาดกที่หจบ 7. สมิธิชาดกว่าด้วยเทพธิดาหลงรักพระสมิธิโพธิสัตว เทพธิดาประล้าประโลมพรามโพธิสัตว์ว่าภิกษุท่านยังไม่ได้บริโภคกามคุณเลยกลับมาเที่ยวพิกฆาจารเสียนี่ก็ท่านบริโภคกามคุณเสียก่อนแล้วจึงเที่ยวพิกฆาจารย์จะไม่ดีหรือภิกษุท่านจงบริโภคกามคุณเสียก่อนเถิดแล้วจึงเที่ยวพิกฆาจารย์ขอเวลาบริโภคกามคุณอย่าได้ล่วงเลยท่านไปเสียเลยพรามโพธิสัตว์กล่าวคาถาที่สองว่า เราไม่รู้เวลาตายของตนเลยเวลาตายปิดบังอยู่ยังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเราจึงไม่บริโภคกามมาเที่ยวพิฆาจารย์อยู่ขอเวลาบำเพ็ญสมณะธรรมอย่าได้ล่วงเลยเราไปเลยสมิธิชาดกที่เจ็ดจบ 8. สกุนักขิชาดกว่าด้วยเยี่ยวนกเขาหลงกลนกมูลไทย พระศาสดาทรงแสดงเรื่องเหยียวนกเขากับนกมูลไทยในอดีตแล้วตรัสเรื่องโคโจรของภิกษุว่าเหยียวนกเขาโฉบลงเต็มแรงด้วยหมายใจว่าจะจับเอานกมูลไทยที่อยู่ในที่หากินโฉบลงอย่างฉับพลันเพราะเหตุนั้นจึงถึงความตายเมื่อเหยียวนกเขาตายแล้วนกมูลไทยจึงออกมายืนบนอกของเหยียวนกเขาเปล่งอุทานว่า เรานั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุบายยินดีแล้วในที่หากินอันเป็นเขตแห่งบิดาเห็นประโยชน์ของตนแล้วเป็นผู้ปราศจากศัตรูย่อมเบิกบานใจสกุนักคีชาดกที่8จบ 9. อารกะชาดกว่าด้วยาศาสดาอารกะสอนการแผ่เมตตาพรามโพธิสัตว์บวชเป็นฤาษี เมื่อจะสอนหมู่เรือสีจึงได้ประกาศอานิสงค์ของเมตตาว่าผู้ใดอนุเคราะห์ชาวโลกทั้งมวลด้วยเมตตาจิตหาประมาณมิได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำและเบื้องขวางโดยประการทั้งปวงจิตเคื่อกูลหาประมาณมิได้เป็นจิตบริบูรณ์อันผู้นั้นอบรมดีแล้วกรรมใดที่เขาบำเพ็ญแล้วพอประมาณกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ในจิตของเขานั้น อระกะชาดกที่เก้าจบ 10. บปรกันตะกะชาดกว่าด้วยกิ่งกาได้ซั์พระราชาท่ทอดพระเนตรกิริยาของกิ่งกานั้นซึ่งไม่นอบน้อมเหมือนก่อนจึงตรัสถามว่ากิ่งกาบุญยอดเสาค่ายตัวนี้ไม่ลงมาอ่อนน้อมเหมือนวันก่อนท่านมโหสถบัณฑิตท่านรู้ไหมว่ากิ่งกากลายเป็นสัตว์กระด้างกระเดืองไปเพราะเหตุใด กิ่งกาได้ทรั์กลึงมาสกซึ่งตนไม่เคยได้มาก่อนจึงดูหมิ่นพระเจ้าวิเทหะผู้ครองกรุงมิถิลากระกันตะกะชาดกที่10บจบสันทววัคที่สองจบรมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. อินทสมานโตตชาดก 2. สันทวชาดก 3. สุสีมาชาดก 4. คิดชะชาดก 5. นักุลละชาดก 6. อุปสารหากะชาดก 7. สมิธิชาดก 8. สกุนักขิชาดก 9. อรกะชาดก 10. กระกันตกะชาดก สากาลยานวักหมวดว่าด้วยกาลยานธรรมหนึ่งกาลยานธรรมะชาดกว่าด้วยผู้มีกาลยานธรรมเศรษฐีโพธิสัตว์ทูลขอพระบรมราชานุญาติบวชว่าข้าแต่พระองค์ผู้จอมชนในการใดบุคคลได้รับสมญาว่าผู้มีกาลยานธรรมในโลกในการนั้นนรชนผู้มีปัญญา ไม่ควรให้ตนเสื่อมจากสมญานั้นธรรมดาสับรุษถือเอาสมญานั้นเป็นธุระสำคัญแม้ด้วยหิริข้าแต่พระองค์ผู้จอมชนสมญาว่าผู้มีกัลยาณธรรมในโลกข้าพระองค์ได้รับแล้วในวันนี้ข้าพระองค์พิจารณาถึงสมญานั้นอยู่จกขอบวชในวันนี้เพราะข้าพระองค์ไม่มีความพอใจในการบริโภคกามคุณในโลกนี้ กัลยาณธรรมชาดกที่หนึ่งจบ 2. ทัทธระชาดกว่าด้วยราชสีกับสุนักจิ้งจอกที่ภูเขาเงินลูกราชสีโพธิสัตว์ได้ยินเสียงสุนักจิ้งจอกจึงถามบิดาว่าข้าแต่พ่อผู้เป็นใหญ่ความรรคชาตทั้งหลายใครหนอส่งเสียงดังบันลือลั่นตลอดทั่วภูเขาเงินสีหะทั้งหลายก็ไม่บันเลอโต้อตอบมัน มันเป็นสัตว์อะไรพ่อราชสีโพธิสัตว์ฟังคำของลูกแล้วจึงกล่าวว่าลูกเอย๋ยมันคือสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ต่ำซามกว่ามรรคชาตทั้งหลายที่กำลังหอนอยู่สีหาทั้งหลายรังเกียจชาติของมันจึงนั่งนิ่งเฉยอยู่ทัตทราชาดกที่สองจบ 3. มมรรตตาชาดกว่าด้วยลิงปลอมเป็นดาบด ดาบทุมานเห็นลิงปลอมเป็นดาบทแกกหนาวสั่นอยู่ไม่รู้ว่าเป็นลิงคิดจะให้เข้าไปพิงไฟในบรณารณศาลาจึงพูดกับบิดาว่าข้าแต่พ่อพระดาบรูปนั้นยืนพิงต้นตาลอยู่อาสมของเราเนี้ยก็มีอยู่เราให้อาสมเพื่อให้เขาอยู่เถิดดาบทบิดาโพธิสัตว์ฟังคำของลูกแล้วจึงกล่าวว่าลูกเอ๋ยเจ้าอย่าเรียกมันมาเลย มันเข้ามาแล้วพึงทําลายอาสมของเราหน้าตาของพรามผู้มีศีลไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรอกมรกระาชาดกที่สามจบ 4. ทุพยะมรกระาชาดกว่าด้วยลิงผู้มักประทุสรายมิตรพรามโพธิสัตว์เห็นกิริยาของลิงจึงกล่าวติเตียนว่าข้าได้ให้น้ำอันเพียงพอแก่เจ้าผู้ถูกความร้อนในฤดูร้อนแผดเผากระหายอยู่ บัดนี้เจ้าดื่มแล้วยังกระทําเสียงเจ๊ก๊กเจ๊กอยู่อีกการครบหากับคนชั่วไม่ประเสริฐเลยลิงผู้มักประทุษร้ายมิตรได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวผูกอาคาดว่าท่านเคยได้ยินหรือเคยได้เห็นมาบ้างไหมว่าลิงตัวไหนที่ชื่อว่าเป็นสัตว์มีศีลบัดนี้เราจะทายอุจระรสิษะท่านนี้เป็นธรรมดาของเรา ทุพยะมะกะตะชาดกที่สี่จบ 5. อาทิจุปัฐานชาดกว่าด้วยลิงไหวพระอาทิตย์พวกมนุษย์เห็นกิริยาของลิงผู้ทำเป็นเหมือนบําเพนตบะและเหมือนจำศีลจึงกล่าวสรรเสริญว่าเล่ากันมาว่าบรรดาสัตว์ทั้งมวลสัตว์ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลมีอยู่ท่านจงดูลิงสาขาผู้ต่ำแซมมันเยืนไหวพระอาทิตย์อยู่ ฤสีโพธิสัตว์เห็นพวกมนุษย์พากันสันเสริญลิงจึงกล่าวเตือนว่าท่านทั้งหลายไม่รู้ปกติของมันเพราะไม่รู้จึงพากันสันเสริญโรงไฟก็ถูกมันเผาและคนโทน้ำสองลูกก็ถูกมันทำลายอาทิจุปฐานชาดกที่ห้าจบ 6. กกระามุติชาดกว่าด้วยลิงสัดลูกเดือยทิ้งทั้งกา ม, มือ อมาโทโธทิสัตว์ผู้สำเร็จราชกิจกราบทูลถึงความประพฤติของลิงว่าข้าแต่พระองค์ผู้จอมชนลิงที่เที่ยวไปตามกิ่งไม้นี้เป็นลิงโง่แท้ๆลิงตัวนี้ไม่มีปัญญามันซัดลูกเดือยทั้งกรรมจนหมดแล้วเที่ยวหาลูกเดือยที่ตกลงไปยังพื้นดินกินทีละเม็ดครั้นพระโพธิสัตว์กราบทูลอย่างนี้แล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพวกเราก็ดี ชนเหล่าเอ่นก็ดีที่มีความโลภจัดจะเสื่อมจากประโยชน์ส่วนมากเพราะประโยชน์ส่วนน้อยเหมือนลิงเสื่อมจากลูกเดยกลายมุติชาดกที่หจบ 7. ติณนนทุกกะชาดกว่าด้วยอุบายกินผลมะพร้าวฟูงลิงแปดหมื่นตัวเห็นพวกมนุษย์ตกใจกลัวตายจึงไปบอกพญาวานอนโพธิสัตว์ว่า พวกมนุษย์ถือคันธนูและกำลูกธนูถือดาบอันคมกริบพากันล้อมพวกเราไว้เราจะพ้นได้อย่างไรนอะพญาว่านอนโพธิสัตว์ได้ฟังคำของพวกลิงแล้วได้ปลอบว่าพวกมนุษย์มีกิจการงานมากประโยชน์บางอย่างจะพึงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเวลาที่จะช่วงจริงเอาผลไม้ยังมีอยู่พวกท่านจงเคี้ยวกินผลมะพร้าวนั้นเถิด ตินทุกกะชาดกที่เจ็ดจบ8ปดกะชปะชาดกว่าด้วยเต่าสอนธรรมเต่าถูกช่างหม้อโพธิสัตว์ใช้จอบขุดทิ้งไว้บนบกได้รับเวทนาจึงได้พูดคร่ำครวญว่าเปลือกตมนี้เป็นที่เกิดเป็นที่เติบโตของเราเพราะเหตุนั้นเราจึงได้อาศัยอยู่ในเปลือกตมเปลือกตมจึงได้ทับถมเรานั้นให้ทุกพลภาพ นพักคะเพราะเหตุนั้นท่านจงฟังคำของเราเราจะกล่าวกับท่านในบ้านก็ตามในป่าก็ตามสถานที่ใดบุคคลได้รับความสุขสถานที่นั้นเป็นที่เกิดเป็นที่เจริญเติบโตของคนที่รู้จักเหตอันควรและไม่ควรบุคคลมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่ใดพึงไปในสถานที่นั้นไม่พึงให้ที่อยู่ทำลายตนเสียเลย กาชปะชาดกที่8ดจบเก้าสตธรรมชาดกว่าด้วยสตธรรมานพมา น, มานพผู้ถือชาสกุลบริโภคอาหารที่เป็นเดนแล้วคร่ำครวญว่าอาหารที่เราบริโภคแล้วนั้นเป็นของน้อยด้วยเป็นเดนด้วยและเขาได้ให้อาหารนั้นแก่เราโดยยากแสนยากด้วยเรานั้นเกิดเป็นพรามเพราะเหตุนั้น อาหารที่เราบริโภคเข้าไปแล้วจึงได้อาเจียนออกมาพระศาสดาทรงแสดงเรื่องอดีตนี้แล้วตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่าผู้ใดละทิ้งธรรมมีชีวิตอยู่โดยอธรรมผู้นั้นย่อมไม่เพลิดเพลินยินดีลาบแม้ที่ตนได้มาแล้วเหมือนสตะธรรมพราหมณ์สตะธรรมชาดกที่เก้าจบส0ทุทธชาดกว่าด้วย สัตบุรุษให้ทานที่ให้ได้ยากรูสีโพธิสัตว์กล่าวสรรเสริญทานที่ทานยกถวายด้วยจิตเลื่อมใสมีผลมากแล้วจึงอนุโมทนาว่าอาสัตบุรุษทั้งหลายเมื่อจะให้ทานชื่อว่าให้ได้ยากเมื่อจะกระทํากรรมก็ชื่อว่าทําได้ยากทําของสัตบุรุษทั้งหลายพวกอสัตบุรุษรู้ได้ยากและพวกอสัตบุรุษก็ทําตามได้ยากเพราะฉะนั้น สัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงมีคติที่ไปจากโลกนี้ต่างกันคือพวกอสัตบุรุษย่อมไปสู่นรกพวกสัตบุรุษย่อมไปสู่สวรรค์ทุตทชาดกที่10บจบกัลยาณวัคที่สจบรวมชาดกที่มีในวัคนี้คือ 1. กัลยาณธรรมชาดก 2. ทัธรชาดก 3. มกตาชาดก 4. ทุพยะมะกตตาชาดก 5. อธิจุปัฏฐานชาดก 6. กกลายามุติชาดก 7. ตินนทุขะชาดก 8. กัจฉปะชาดก 9. สตธรรมชาดก 10. ทุตตะชาดก อสาทิสวหมวดว่าด้วยอสาทิสกุมารหนึ่งอาสาทิสชาดกว่าด้วยอสาทิสกุมารพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องอาสาทิสราชกุมารโพธิสัตว์ทรงขับพระราชาเจ็ดพระนครให้หนีไปได้ชัยชนะแล้วผนวชเป็นฤาษีกับภิกษุทั้งหลายจึงตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าอาัาทิสราชบุตร ทรงเป็นนักแม่นธนูมีพลังมากยิงได้ไกลยิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำทำลายเป้าใหญ่ๆได้พระองค์ทรงทำการรบให้ค่าศึกทั้งหมดนี้ไปแต่ไม่เบียดเบียนใครๆช่วยพระอนุชาให้ถึงความสวัสดีแล้วทรงเข้าถึงความสำรวมอาสาทิสชาดกที่หนึ่งจบสองสังฆามาวาจะระชาดก ว่าด้วยช้างเข้าสู่สงครามพระโพธิสัตว์ผู้เป็นคนฝึกช้างของพระราชาสอนช้างว่าพญากุญชรท่านได้ชื่อว่าเจนสงครามกล้าหาญมีกำลังมากทำไมหนอมาใกล้เขื่อนประตูแล้วจึงถอยกลับเสียเล่าพญากุญชรท่านจงหักลิ่มกรอนจงถอนเสาระเนียดจงเหยียบทํำลายซุ้มประตูและจงเข้าไปในเมืองโดยเร็ว สังคา ม, มาวาจะระชาดกที่สองจบ 3. ว่าโลทกะชาดกว่าด้วยลากินน้ำหางพระราชาตรัสเรียกอมารทิสัตว์ผู้อยู่ใกล้มาตรัสถามกิริยาของพวกลาว่าเพราะดื่มน้ำหางอันมีรสน้อยอันเป็นน้ำเลวความเมาจึงเกิดแก่พวกลาแต่ความเมาก็ไม่เกิดขึ้นแก่ม้าสินทบ เพราะดื่มน้ำมีรสอันประณีดนี้พระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมชนลานั้นมีชาติเลวสามดื่มน้ำมีรสน้อยอันรสนั้นถูกต้องแล้วย่อมเมาส่วนม้าสินทบเกิดในตระกูลมีปกตินำพาธุระดื่มน้ำมีรสอันเลิศแล้วก็ไม่เมาว่าโรทกชาดกที่สามจบสี่ คิริทันตะชาดกว่าด้วยม้าเรียนแบบนายคิริทั์อามาทโพธิสัตว์ตรวจ ด, ดูอาการของม้าพิการแล้วกราบทูลพระราชาว่ า, ม, าม้ามงคลชื่อปันทวะของพระเจ้าสามถูกนายคิริทั์ประทุษร้ายแล้วจึงละปกติเดิมของตนเรียนแบบนายคิริทัตนั้นพระโพธิสัตว์กราบทูลให้หาคนเลี้ยงม้าที่ดีมาว่า ถ้าคนประกอบด้วย อ, อาการอัน ง, งดงามที่สมควรแก่มานั้นพึงจับมานั้นที่บางเหียนแล้วจงไปรอบรอบสนามม้าไซมานั้นจะละอาการขยเเยกแล้วเรียนแบบคนเลี้ยงมานั้นโดยพลันคิริทัตตชาดกที่สจบ 5. อนภิรติชาดกว่าด้วยจิตขุนมัวและไม่ขุนมัวอาจารย์ทิสาปามโมโพธิสัตว์ถามานพผู้เป็นสิทธ ถึงสาเหตุที่มนเสื่อมหายไปแล้วจึงกล่าวว่าเมื่อน้ำขุ่นไม่ใสบุคคลย่อมไม่เห็นหอยโขงหอยกาบก้อนกรวดเม็ดทรายและฝูงปลาชั้นใดเมื่อจิตขุ่นมัวบุคคลก็ย่อมไม่เห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นชั้นนั้นเมื่อน้ำใสสะอาดบุคคลย่อมเห็นหอยโขงหอยกาบก้อนกรวดเม็ดทรายและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตไม่ขุ่นมัว บุคคลก็ย่อมเห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นฉันนั้นอนะพิรติชาดกที่หจบ 6. กททิวาหณะชาดกว่าด้วยพระเจ้าทธทิวาหณนะพระเจ้าทธทิวาหณะตรัสถามพระโพธิสัตวาว่าในการก่อนมะม่วงนี้มีผิวสวยกลิ่นหอมรสอร่อยได้รับการบำรุงเหมือนเดิม เพราะเหตุใดจึงกลับกลายเป็นมะม่วงที่มีรสขมไปอมาตโพธิสัตว์กราบทูลแจ้งเหตุของมะม่วงนั้นว่าข้าแต่พระเจ้าทธิวาหณนะมะม่วงของพระองค์มีต้นเสดาวล้อมรอบรากกับรากเกี่ยวพันกันกิ่งกับกิ่งประสานกันเพราะการเกี่ยวข้องกับต้นไม้ที่มีรสขมไม่น่าพอใจนั้นมะม่วงต้นนี้จึงกลายเป็นไม้ที่มีรสขมไป ทัิวาหณนะชาดกที่หกจบเจ็ดจะตุมัทธาชาดกว่าด้วยสุนักจิ้งจอกมีเหตุชั่วชาสีประการรุกเทวดาโพธิสัตว์สนทนากับพญาหงว่าท่านทั้งสองพากันขึ้นไปยังข่าคบไม้อยู่ในที่ลับแล้วปรึกษากันบนต้นไม้สูงเชิญท่านลงมาปรึกษากันข้างล่างเถิดพญาเนื้อจะได้ฟังบ้าง ในเวลาที่ลูกคงสองตัวรังเกียรสุนัขจิ้งจอกแล้วพากันบินกลับไปพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าครุฑกับครุฑพึงปรึกษากันเทวดากับเทวดาพึงปรึกษากันเรื่องนั้นจะมีประโยชน์อะไรแกสุนัขจิ้งจอกชั่วช้าสี่ประการนี่สุนัขจิ้งจอกชั่วช้าเจ้าจงเข้าโพรงไปเถิดจตุมัทชาดกที่เจ็ดจบ8ด สีหโกถุชาดกว่าด้วยตัวเหมือนราชสีแต่เสียงไม่เหมือนลูกราชสีโพธิสัตว์ตัวหนึ่งได้ยินเสียงลูกของสุนัขจิ้งจอกจึงถามพ่อว่าราชสีตัวนั้นมีนิ้วอย่างราชสีมีเล็บอย่างราชสียืนอยู่ด้วยเท้าราชสีเพียงตัวเดียวเท่านั้นในหมู่ราชสีบันเลอเสียงเพี้ยนไปเป็นอย่างอื่น ราชสีโพธิสัตว์บอกให้ลูกๆรู้ว่าเป็นพี่น้องกันจึงสอนลูกสุนัขจิ้งจอกว่านี่เจ้าลูกราชสีเจ้าเยาบรรเลออีกเลยจงเงียบเสียงอยู่ในป่าเถิดพวกเขาจะพึงรู้จักเจ้าด้วยเสียงนั่นแหละเพราะเสียงของเจ้าไม่เหมือนกับเสียงของพ่อเจ้าสีหกฎุชาดกที่ 8. ปดจบกสีหะจำ ม, มะชาดก ว่าด้วยลาปลอมตัวเป็นราชสีพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นชาวนาได้ยินเสียงลาปลอมร้องก็รู้ว่าเป็นลาจึงกล่าวคาถาว่านั่นไม่ใช่เสียงบรรเลือของราชสีไม่ใช่เสียงของเสือโครง่งไม่ใช่เสียงของเสือเหลืองลาชั่วช้าคลุมตัวด้วยหนังราชสีร้องอยู่พ่อค้ามาเห็นลาถึงความบอบชำ้ำจึงกล่าวคาถาที่สองว่า ลาเอาหนังราชสีคลุมตัวเคี้ยวกินข้าวเหนียวอันเขียวสดเป็นเวลานานมันร้องออกมานั่นแหละจึงทำร้ายตัวเองสีหะจำมาชาดกที่เก้าจบสิศีลานิสังสชาดกว่าด้วยอนิสงของศีลเทวดาประจำสมุดกล่าวถึงคุณของการสังสรรค์กับบัณฑิตว่าดูเถิดนี่แหละผลของศรัทธาศีลและจาคะ พยาหน้าแปลงตนเป็นเรือนำอุบาสกผู้มีศรัทธาไปพึ่งโคบหาสัตบุรุษเท่านั้นพึ่งทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษเพราะการอยู่ร่วมกับสัตบุรุษนายช่างกระบกจึงถึงความสวัสดีศีลานิสังส า, าดกที่10บจบอาสัทิสวรที่สจบรวมชาดกที่มีในวรนี้คือ 1. อาสะ ท, ทิสาชาดก 2. สังขามาวาจะระชาดก 3. วาโลทะกะชาดก 4. คิริทัตตะชาดก 5. อนัพิรติชาดก 6. ทัทิวาหณะชาดก 7. จะตุมัทธชาดก 8. สีหกฎุชาดก 9. สีหจั ม, มะชาดก 10. บสีลานิสังสะชาดก กะวกหมวดว่าด้วยรูหกะปุโรหิตหนึ่งรูหกะชาดกว่าด้วยรูหกะปุโรหิตพระราชาโพธิสัตว์ทรงหวังจะให้รูหกะปุโรหิตยกโทษให้นางพรามณีจึงตรัสว่าพ่อมหาจำเริญรูหกะสายธนูที่ขาดไปแล้วก็ยังต่อให้ติดอีกได้ท่านจงคืนดีกับพัญญาเก่าเถิดอย่ารู้อำนาจแห่งความโกรธเลย รูหกะปุโรหิตได้ฟังพระดำรัสนั้นจึงกราบทูลว่าเมื่อสายปานยังมีอยู่นายช่างผู้กระทาสายธนูก็มีอยู่ข้าพระองค์จะกระทําสายธนูใหม่พอกันทีสำหรับสายธนูเก่ารูหกะชาดกที่หนึ่งจบ 2. สิริกาละกันนิชาดกว่าด้วยสิริกับกาละกันนี พระราชาตรัสถามเซนกะบัณฑิตว่าหญิงที่มีรูปงามมีคุริยามา ร, รยาทและความประพฤติเรียบร้อยชายไม่พึงปรารถนาเธอท่านเชื่อไหมละ่ะพ่อมโหสถบัณฑิตเสนกะบัณฑิตฟังพระดำรัสนั้นแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์เชื่อพระเจ้าค่ะชายนั้นคงเป็นคนต่ำต้อย เพราะสิริกับกาลกันนีเข้ากันไม่ได้เลยไม่ว่าในการไหนๆสิริกาลกันนิชาดกที่สองจบ 3. จูลปทุมะชาดกว่าด้วยพระเจ้าจูลปทุมะปทุมะกุมารโพธิสัตว์ได้สดับคำของชายาผู้ชั่วช้าแล้วจึงตรัสว่าญิงคนนี้แหละคือหญิงคนนั้นแม่เราก็คือชายคนนั้น หาใช่คนอื่นไม่ชายคนที่หญิงนี้อ้างว่าเป็นสามีของนางตั้งแต่ยังเป็นกุมารีก็คือชายที่ถูกตัดมือตัดเท้าคนนี้แหละหาใช่คนอื่นไม่ขึ้นชื่อว่าหญิงควรค่าทั้งนั้นสัจจะไม่มีในหญิงทั้งหลายพวกท่านจงตีชายชั่วช้าหยาบคายคล้ายซากศพมักเป็นชู้กับพัญญาคนอื่นคนนี้เสียด้วยซาก จงตัดใบหูและจมูกของหญิงผู้โปรนิภาษามีที่ชั่วช้านั้นคนนี้เสียยังเป็นเป็นเถิดจูละปะทุมาชาดกที่สามจบ 4. มณิโจรชาดกว่าด้วยพระเจ้าอธรรมิกราชลงโทษโจรลักแก้วมณีนางสุชาดาเห็นข้าบดีโพธิสัตว์ถูกเขี่ยนรำลึกถึงคุณแห่งศีลของตนแล้วจึงกล่าวว่า เทวดาทั้งหลายไม่มีหรือไม่อยู่เป็นแน่เมื่อมีกิเทนปา น, นี้เกิดขึ้นเทวดาทั้งหลายก็พากันไปข้างแรมเสียแน่อันหนึ่งท่านผู้รักษาโลกก็ไม่มีอยู่ในโลกนี้แน่นอนเมื่อคนทุศีลทั้งหลายกระทำกรรอันหยาบช้าอยู่คนทั้งหลายผู้ห้ามปรามก็ไม่มีแน่นอนท้าวศักกะถวายโอวาทแกพระราชาว่าในรัชสมัยของพระราชาผู้ไม่ทรงธรรม ในการไม่สมควรตกฝนก็ตกในการสมควรจะตกฝนก็ไม่ตกพระราชาผู้ไม่ทรงธรรมจุติจากโลกสวรรค์พระราชาพระองค์นั้นถูกทำลายแล้วเพราะเหตุแห่งความชั่วมีประมาณเท่านี้แน่นอนมณิจโจ ร, ราชาดกที่สจบ 5. ปปปัตตูปปัทระชาดกว่าด้วยสะพโขกรณีที่เชิงเขา พระราชาตรัสถามปัญหากับอมาตโพธิทัตว์ว่าสะโบคโรณีมีน้ําเย็นรสอร่อยเกิดอยู่ที่เนินหินเชิงภูเขาหิมพานน่ารื่นรมสุนักจิงจอกรู้อยู่ว่าราชสีรักษาสะโบคโรณีนั้นไว้ก็ยังลงไปดื่มกินอมาตโพธิสัตว์ทราบว่าอมาตคนหนึ่งจะก่อเหตุร้ายภายในพระราชวังจึงกราบทูลว่าค่าแต่มหาราช ถ้าสัตว์มีเท้าทั้งหลายพากันเดิมน้ำในมหานาทีแม่น้ำจะไม่ชื่อว่าเป็นแม่น้ำเพราะเหตุนั้นก็หาไม่หากว่าชนสองคนนั้นเป็นที่รักขอพระองค์ทรงงดโทษเสียเถิดปพประตูปัททะชาดกที่ห้าจบ 6. วลาหะกัสชาดกว่าด้วยความปลอดภัยเกิดจากมาวลาหก พระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแสดงแล้วจึงได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าคนเหล่าใดไม่ทำตามโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คนเหล่านั้นจกถึงความพินาศเหมือนพวกพ่อค้าที่ถูกพวกนางรากสดประเล้าประลมส่วนคนเหล่าใดทำตามโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คนเหล่านั้นจะปลอดภัยเหมือนพวกพ่อค้าที่เชื่อฟังคาของพญามาวลาหก วลาหากสะชาดกที่หจบ 7. มิตรามิตรชาดกว่าด้วยอาการของผู้เป็นมิตรและไม่ใช่มิตรฤาษีโพธิสัตย์บอกเหตุแก่ดาบททั้งหลายว่าบุคคลเห็นคนผู้เป็นศัตรูกันแล้วย่อมไม่ยิ้มแย้มไม่ชื่นชมศัตรูนั้นเมื่อสบตากันก็เบือนหน้าไปทางอื่นและประพฤติตรงกันข้ามอาการทั้งหลายปรากฏที่ศัตรู บันเด็เห็นแล้วฟังแล้วซึ่งอาการเหล่านั้นพึงรู้ได้ว่าผู้นี้เป็นศัตรูของเรามิตรามิตรชาดกที่เจ็ดจบ 8. ราธชาดกว่าด้วยนกราธโพธิสัตว์พรามถามนกราธโพธิสัตว์ว่าลูกเอย๋ยพ่อเพิ่งกลับมาจากที่ค้างแรมมาถึงเดี๋ยวนี้เองยังไม่นานนักลูกเอย๋ยแม่ของเจ้า ไม่ไปคบหาชายอื่นหรือนกราธาโพธิสัตว์แจ้งให้พราหมณ์ทราบว่าธรรมดาบัณฑิตเมื่อกล่าวคำจริงแต่คำนั้นเป็นการกล่าวถึงความไม่ดีจะพึงหมกไหมเหมือนนกแขกเต้าชื่อโปธปาทะหมกไหมอยู่ที่เท่าไฟในเตาร า, าชาดกที่8ดจบ 9. ก้ขหาพติชาดกว่าด้วยข้าบดีโพธิสัตว์ ข้าพดีโพธิสัตว์เห็นกิริยาของพัญญาและชายชูเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นจึงกล่าวว่าเหตุ hey, ทั้งสองประการไม่ควรแก่เราเราไม่ชอบใจเลยก็หญิงนี้ลงไปในฉางข้าวแล้วยังพูดว่าฉันยังใช้คืนท่านไม่ได้นี่ท่านผู้ใหญ่บ้านเพราะเหตุนั้นฉันจึงพูดกับท่านในคราวเมื่อเรามีชีวิตฝืดเคืองยากเข็ท่านได้ทาสัญญากาหนดไว้สองเดือน แล้วมาทวงเนื้อโคพร้อมแก่เมื่อยังไม่ถึงกำหนดเวลาสัญญาเหตุทั้งสองประการนั้นฉันไม่ชอบเลยข้าปฏิชาดกที่เก้าจบส0สาธุศีลชาดกว่าด้วยเลือกเอาผู้มีศีลพรามถามพระโพธิสัตว์ผู้เป็นอาจารย์ว่าข้าพระเจ้าขอถามท่านพรามว่าบรรดาคนสี่คนคือหนึ่งคนมีรูปงาม 2. คนมีอายุ 3. คนมีชาติสูง 4. คนมีศีลธรรมท่านจะเลือกใครหนออาจารย์ฟังคำของพรามนั้นแล้วกล่าวว่าร่างกายก็มีประโยชน์เขาพระเจ้าขอทำความนอบน้อมต่อท่านผู้เจริญวัยชาสูงก็มีประโยชน์แต่เขาพระเจ้าชอบใจศีลสาธุศีลชาดกที่10จบรู้หกวัคที่หจบ รวมชาดกที่มีในวรรคนี้คือ 1. รุหกะชาดก 2. สิริกาลกันนิชาดก 3. จูลปทุมะชาดก 4. มณิจระชาดก 5. ปัพตูปัทระชาดก 6. วลาหกัสะชาดก 7. มิตรามิตรชาดก 8. ราะชาดก 9ก้าข้าปฏิชาดก 10. สาธุศีลชาดก